คุตโตปต์ตอไปนี้แม้จะไม่ได้ระบุลงไปว่าเป็นข้อกําหนดคุณสมบัติของกัลยาณมิตรโดยตรงแต่ก็ควรถือว่าเป็นคุณสมบัติประกอบของกัลยาณมิตรได้เช่นในปัธรมอลังสูตรอังคุตตรนิกายอัตการนิบาตมีพุทโตปต์ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการย่อมเป็นผู้สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่น ทำหกประการนั้นเป็นไนกล่าวคือภิกษุ 1. เป็นผู้มีความเข้าใจรวดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย 2. เป็นผู้ทรงจำธรรมที่สดับแล้วได้ 3. เป็นผู้พิจารณาความหมายใจความของธรรมที่ทรงจำไว้ได้ 4. เป็นธรรมมนุธรรมปฏิปันโนคือเป็นผู้ปฏิบัติธรรมข้อย่อยคล้อยแก่ธรรมหลักใหญ่ รู้อัดรู้ธรรมคือเข้าใจความหมายเข้าใจหลักดีแล้วปฏิบัติถูกหลักคือถูกตามหลักการและความมุ่งหมายของธรรมนั้นๆห้าเป็นผู้มีวาจางามกาวกัลยาณพจน์ประกอบด้วยถ้อยคำอย่างชาวเมืองสละสลวยฉะฉานทำให้รู้เนื้อความจะแจ้งหกเป็นผู้สามารถแสดงธรรมชนิดที่ชี้ให้ชัดชวนให้ปฏิบัต เราให้กล้าปลูกให้ร่าเริงได้แก่เพื่อนพรมจารีทั้งหลายในเสวิสูตรอังคุตรนิกายติ ก, กันิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสามพวกเหล่านี้มีอยู่ในโลกกล่าวคือบุคคลที่ไม่ควรเสวนาไม่ควรครบไม่ควรหมั่นเข้าหาก็มีบุคคลที่ควรเสวนาควรครบควรหมั่นเข้าหาก็มี บุคคลที่ควรสักการะเคารพแล้วเสวนาคบหมั่นเข้าหาก็มีหนึ่งบุคคลที่ไม่ควรเสวนาไม่ควรครบไม่ควรหมั่นเข้าหาเป็นไนได้แก่บุคคลบางคนเป็นผู้สามกว่าโดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญาบุคคลอย่างนี้ไม่ควรเสวนาไม่ควรครบไม่ควรหมั่นเข้าหานอกจากจะเอื้อเอนดู นอกจากจะอนุเคราะห์ 2. บุคคลที่ควรเสวนาควรครบควรหมั่นเข้าหาเป็นไฉนได้แก่บุคคลบางคนเป็นผู้เช่นเดียวกันโดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญาบุคคลอย่างนี้ควรเสวนาควรครบควรหมั่นเข้าหาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าเมื่อเราเป็นผู้เสมอกันโดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญาแล้ว การสนทนาการเรื่องศีลการสนทนาการเรื่องสมาธิการสนทนาการเรื่องปัญญาจะมีได้ด้วยการสนทนาการจากดําเนินไปได้ด้วยและการสนทนานั้นก็จะเป็นความผาสุก ข, ของเราด้วยเพราะเหตุนั้นบุคคลอย่างนี้จึงควรเสวนาควรครบควรหมั่นเข้าหา 3. บุคคลที่ควรสักการะเข้ารบแล้วเสวนาคบหมั่นเข้าหา เป็นไงได้แก่บุคคลบางคนเป็นผู้ยิ่งกว่าโดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญาบุคคลอย่างนี้ควรสักการะเข้ารบแล้วเสวนาคบหมั่นเข้าหาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราจะได้ทํากองศีลกองสมาธิกองปัญญาที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือจะได้ประครับประคองกองศีลกองสมาธิกองปัญญา ที่บริบูรณ์อยู่แล้วไว้ได้ด้วยปัญญาในกรณีนั้นนั้นเพราะเหตุนั้นบุคคลอย่างนี้จึงควรสการะเขารบแล้วเสวนาคบหมั่นเข้าหาพึงสังเกตในข้อความว่าด้วยบุคคลพวกที่หนึ่งซึ่งไม่ควรครบนั้นมีหลักการครบหาที่ควรย้าไว้อีกอย่างหนึ่งว่าตามคำสอนทั่วไปซึ่งได้พบกันอยู่เสมอนั้นท่านไม่ให้คบคนเลวสาม แต่ท่านก็แสดงข้อยกเว้นไว้ด้วยว่าควรจะครบต่อเมื่อเป็นเรื่องของเมตตาการุณาในเมื่อจะช่วยเหลือเขาอย่างไรก็ตามผู้ที่คิดจะไปช่วยเหลือเขาอย่างนี้ก็ควรพิจารณาความพร้อมของตนให้ดีก่อนด้วย